ขอความเจริญในธรรมยังมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาเมยาลัยสีปทุมกำลังนำเสนอพัทธยสูตรในสูตรที่หนึ่งแล้วก็บรรกกร น, นั้นได้อธิบายขยายความไปตามหลักที่พระอาจารย์ท่านชี้แจงท่านอธิบายไว้ ในวันนี้เราจะย้อนกลับมาดูที่พระสูตรและพระพุทธอุทานคือพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันดังกล่าวไว้ในวันก่อนพระสารีบุตรตบังแสดงธรรมะแกพระละกุณทกกะอธยักษ์จดท่านเห็นแจ้ง ให้สมาทานาฏฐานา่าเดือด้วยธรรมิกถาโดยอนเนกกระปรยายเมื่อท่านได้ชี้แจงเนี่ยจิตของท่านและกุณทกะพัติยะก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นหรือปาทานตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสูตร คือเวลาพูดถึงจิตของพระหันที่หลุดพ้นจากอสวะกิเลสเพราะความมักจะจบลงในลักษณะนี้คือจิตหลุดพ้นแล้วจากอสวรรทั้งหลายไม่ถือมั่นใลอุปาทานประเด็นสำคัญก็คือว่าทั้งอสวะและอุปาทานหรือแม้แต่เรียกชื่ออย่างอื่นมันก็คือเป็นชื่อของกิเลส อุปาทานเป็นอาการที่จิตยึดมั่นถือมั่นโดยอำนาจของกิเลสจะแนกโดยทั่วไปแล้วจะแนกเป็นสี่แต่ว่าเวลาทรงแสดงในที่ต่างๆเนี่ยเราจะพบเป็นสามแต่ไม่ได้เรียกว่าอุปาทานเรียกกาหะแต่ว่าในพระสูตรท่านก็บอกเท่านั้นหือไม่ได้บอกว่าอุปาทานมีเท่าไรหรืออสาาวกมีเท่าไร แต่ถ้าดูก็ต้องไปดูในที่อื่นที่ทรงแสดงเรื่องอุปาทานโดยเฉพาะหรือว่าอาสวะโดยเฉพาะหรือไม่อย่างนั้นก็ดูที่พระอ า, าจารย์ท่านอธิบายหรือท่านจะนำไปขยายเพราะอะไรเพราะว่าที่จิตหลุดพ้นเนี่ยมันหลุดพ้นภายในจิตของท่านก็เป็นเรื่องที่ท่านรู้ด้วยจิตของท่าน สูตรก็เพียงแต่บอกกล่าวในลักษณะารายงานให้ทราบว่าโดยธรรมเทศนาอย่างนั้นจิตของผู้ฟังได้หลุดพ้นจากอสวรททั้งหลายแล้วก็ไม่ถึงมั่นหรือุ่าทานและเป็นการยืนยันว่าผู้นี้ถ้าหมดก็หม ด, หมดไปด้วยกันคือกิเลสเจะมีชื่ออย่างไรก็ตามคือถ้าเขาหมดแล้วเขาก็หมดไปด้วยกันก็หมายความว่า ใครไปแสดงตัวเองว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะแต่อย่างยึดมั่นถือมั่นเนี่ยก็แสดงว่าผิดอาสวะชื่อหนึ่ง<ม>ก็คือเรียวกว่าอุปาทานอย่างมันก็ทาให้เกิดความยึดมั่นถือมัน่นเหมือนกับตัณหากับอุปาทานเนี่ยถ้าไม่มีก็ต้องไม่มีเดียกันถ้ามีก็ต้องมีเดียกันถ้าอยากแล้วไม่ยึดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ จะยึดโดยไม่ได้อยากก็เป็นไปไม่ได้ตอ น, น, นผู้นี้จึงอยู่ด้วยกันเพราะอาจจะเรียกว่าเป็นวัยพจน์คือใช้แทนกันได้แต่ว่าลักษณะนี้มันต่างกันคือลักษณะของอาสวะเป็นกิเลสประเภทที่มักบ่มสะสมอยู่ภายในจิตคือพูดในตอนที่เขาอยู่ภายในจิต คือมากามาสวะอานสวะคือกา ม, ม, าาาากามได้แก่กิเลสประเภทโลภทั้งหลายนะประเภทโลภ ป, ประเภทราคะทั้งหลายประวัตสวะอานสวะคือภพได้แก่กิเลสประเภทโลภเหมือนกันคือต้องการมีต้องการเป็นต้องการได้รู้สึกมีรู้สึกเป็นรู้สึ ก, สกได้เนี่ยแล้วก็อานสวะวิชาสวะอานสวะคื อ, อวิชา อวิชาเป็นความมืดบอดที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่หมดเนี่ยยังเรียกว่าอาวิชาอยู่คล้ายๆกับระยะบุคคลระดับสามระดับคนเนี่ย ทั้งหมดที่ท่านต้องเกิดเนี่ยมันก็ยังอยู่ในโครงสร้างของปฏิยการคือวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปท่านจะเกิดในที่ใดก็ไม่รู้แหละแต่ว่าอวิชาม่ยังไม่หมดมียังไม่หมดก็สังขารก็ยังไม่หมดทั้งคู่ก็ช่วยกันสร้างเป็นปฏิสนธิวิญญาณแต่แน่นอนก็คุณภาพก็สูงขึ้น เพราะในความเปลน่ยนวิชาเนี่ยที่จริงวิชาปนอยู่เยอะมากเพียงแต่ว่าเมื่อาวิชายังไม่หมดท่านก็เรียกว่าวิชาแต่นั่นเองมีความเข้มข้นคืออาการมืดเนี่ยมันยิ่งย่อนไม่เหมือนกันเพราะเมื่อเวลาอาสวะเหล่านี้เขาแสดงอาการในที่นี้ก็ออกมาในรูปยึดนะฮะยึดเป็นอุปาทาน ผูประทานก็ไปยึดถือเรื่องน่าของความใคร่ความใคร่ที่จริงมันก็สืบเนื่องมาจากกามาสวะคือเราจะเอาอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลก็ได้มันขึ้นอยู่กับไล่ขยๆกับพูดไก่กับไข่อะไข่อะไรเป็นเหตุเป็นผลก็ได้มันขึ้นอยู่กับการจับคู่ผลกรมาสวะกับกามุประทานก็เหมือนกัน ให้เราสังเกตว่าบางเรื่องเนี่ยมันมีเชื่ออยู่ภายในใจเราแล้วเราอยากแล้วเราก็ยึดแต่บางอย่างเนี่ยเป็นการรับรู้ใหม่ใจก็ไปกำหนดที่หลังว่าน้าคลายน่าปรารถนาหน้าพอใจก็เกิดสุขเวทนาที่ได้เห็นเป็นต้นเนี่ยมันก็เกิดตัณหาคืออยากอยากเห็นเรื่อยๆไป หลัฐานก็ยึดเหือหน้าของความคล่าในจิิงเหล่านั้นทีนี้พอเสร็จแล้วมันก็ตกอยู่ตะกรนใจอีกแหละก็เป็นการเสริมเชื้อของกิเลสให้มากยิ่งขึ้นท่า น, นกรรมุปทานจึงมีสิ่งที่จิตยึดกับตัวเหตุให้จิตยึดสิ่งนี้จิตยึดก็คือโล ก, กวัตถุข้างนอกเราสัมผัสด้วยตา ยินด้วยหูสุดลมด้วยจมูกริมด้วยลิ้นอ่ิบดีร่างกายและกิเลสเป็นเหตุหยึดซึ่งก็มีเชื้ออยู่ภายในใจเราอาจจะเป็นของใหม่หรือของเก่านะฮะแต่ถ้าของเก่าก็แท้ของใหม่ก็แสดงว่าเก่ามีเชื้ออยู่ถ้าไม่มีเชื้อเนี่ยมันก็ไม่เกิดหรอกอย่างพระอรหันต์นี่เขาเรียกว่าดับกิเลสโดยไม่มีเชื้อ เพราะท่า น, น, นก็เห็ น, น, น, นลูกฟังเสียงลมลิ่นยิ้มรดถูกต้องยินได้นอะยิย้มรดอ น, อนแข็งเหมือนกันแต่ว่ า, าภายในใจของท่านไม่มีเชื่อเพราะความอยากไม่มีอยากไม่มียึดก็ไม่มีที่บอกว่าไม่ยินดียินร้ายแล้วก็ที่ถุปาธฐานถือมั่นอำนาจของทิฏฐิทิฏฐิในที่นี้มีทั้งหยาบกลางละเอียดนะฮะ าการที่ถือโดยทิติบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือแม้แต่สิ่งดีๆแต่ถ้าเรายึดจิตเช่นสมมติว่าสำนักหนึ่งสอนกรรมฐานให้ภาวนาวบอกพูดโคลสำนักหนึ่งบอกว่าสัมมาอระหังสำนักหนึ่งบอกว่ายุคหนอพองเนอเนี่ยที่จริงทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือที่จะทําจิตให้สงบ เดี๋ถ้าจิตไปเกิดยึดว่าอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องเนี่ยเพื่อลองดูจิตว่ามันจะเกิดฉันทราคะคือความกำหนัดเริ่มหน้าความพอใจในสิ่งที่ตัวยึดแล้วมันจะเกิดปฏิฆะหรือโทสะต่อคนหรือต่ออารมณ์ที่ตัวเองไม่ได้ยึดปฏิเสธเพราะบางคมพูดเราบางทีสูญเสียในเรื่องเหล่านี้เยอะเลยทีเดียว อย่างในสมัยหนึ่งที่ไปเฉียงกันเรื่องอภิธรรมเป็นพุทธพจน์หรือไม่จะพุทธพจน์โอเล่นกันแรกมากชิมหนังสือด่ากันเป็นเล่มเล่นก็เป็นลักษณะของอุปาทานด้วยกันทั้งคู่คือถ้าเรายึดติดว่าเป็นพุทธพจน์ทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นพุทธพจน์ทั้งหมดแต่ถามว่าเป็นพุทธศาสนาทั้งหมดไหมก็บอกว่าใช่ แต่เราระยึดติดเอาพุทธพจน์หรือไม่พุทธพจน์แต่นี่มันไม่ได้มันก็เกิดเป็นสแสดงถึงอาการของโมหะมากเกินไปก็ยึดติดดิวยหน้าของทิฏฐิหรือว่ายึดติดด้หน้าทิฐิที่ห ย, ยาบยาบที่แรงแรงที่เป็นวิชาทิฐิอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังอันนี้แรงแล้วก็ต่อไปก็ เป็นศีลวัดต่างๆที่ยึตดติดเติมหน้าศีลวัดต่างๆก็เรียกว่าศีลแลพัดุปาทานแล้วก็อัตวาทุปาทานยึดมั่นถรือมั่นว่าตนไปอย่างนั้นตนเปนอย่างนี้ตนเป็นอย่างโน้นพวกนี้เขาก็หมดอ่ะคือหมดไปได้วยกันแล้วก็เรียกชื่ออย่างอื่นแม้แต่เราจะไปเจอชื่อสังโยชน์เจอชื่ออนุไส่เจอชื่อโยคะกันถาโอค่าอะไรอะไรก็ช่าครับคือสรุปว่าถ้าหมดแล้วก็คือหมด ตัณหาดับเนี่ยมันก็หมดอย่างอื่นก็หมดไปกันไม่เป็นการสง่งเป็นการบอกกล่าวตัณหาดับเนี่ยแสดงอวิชาดับเพราะวิชากับตัณหาเนี่ยเป็นปัจจัยของแต่ละแกนีนี้อวิชาดับตัณหากระดับตัณหาดับเอาวิชากระดับกระดับไปกันเพราะงั้นเมื่อท่านละกุลทกะพัทธิยะท่าน บรรลุวคนเป็นประหารคือการบรบรลุในบรรลุในสุดแรกนะบนรรลุในประสุแรกแล้วก็พระบุญยุพัคย่าทรงรู้ด้วยประยานคือทอดพระเนตรเห็นพระสารีบุตรแสดงธรรมแก่พระกุณฑกะปฏิยะแล้วก็ทรงรู้ว่าพระกุณฑกะปฏิยะนั้นจิตใจหลุดพ้นจากอสุวะทั้งหลายไม่ถือมัน่นเุนปาทานก็ทรงเปล่ง ทรงกรลบเรื่องราวตรงนี้และทรงเปล่งเป็นพุทธอุทานเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของพระอระหันต์เป็นการอธิบายสภาพจิตของพระอระหันต์ว่าบุคคลผู้พ้นวิเศษแล้วในสิ่งทั้งปวงในเบื้องบนในเบื้องต่ำไม่ตามเห็นว่าเราเป็นนี้ บุคคลพ้นพิเศษแล้วอย่างนี้ข้ามได้แล้วซึ่งโอคาที่ตนยังไม่เคยข้ามเพื่อความไม่เกิดอีกคือการสะท้อนคุณลักษณะของพระหันเนี่ยสะท้อนหมดมันก็ไม่ได้นะเรื่องเยอะยแต่ก็เป็นการบ่งชี้ถึงการดับไปของกิเลสกระทุกหมายความว่าคาว่าพ้นในที่นี้คือพ้นกับพ้นจากอำนาจของกิเลส พอพ้นจากกิเลสกิเลสมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อกิเลสไม่มีทุกข์มันก็ไม่มีพ้นคำว่าผู้พ้นวิเศษแล้วในสิ่งทั้งปวงเนี่ยหมายความมาหลุดพ้นทั้งกิเลสแล้วก็เพลงทุกข์ได้แต่ในขณะเดียวกันโดยประยายอื่นก็ทรงแสดงเรื่องสภาพวิธิหลุดพ้นในความยิ่งย่อนแตกต่างกัน สำหรับสามัญชนทั่วไปหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยที่จริงก็หลุดพ้นได้นะแต่ว่าเป็นการชั่วครั้งชั่วคราวหรือถ้าเราตรวจสอบดูจิตในแต่ละวันเนี่ยพอมีเป็นนันมากที่เราเอาชนะจิตตัวเองได้หยุดการพูดเอาไว้หยุดการทำเอาไว้หยุดการคิดเอาไว้เมื่อเห็นว่ามันไม่ถเหมาะสมถูกต้อง ดีควเราถ้าหยุดตัวเองไม่ได้นะ่ะหยุดความคิดต่างๆไมาได้มันก็ยุ่งหมดทัโลกเพรานี้ก็ถือบกพ้นเนี่ ย, ยาาา น, ย น, น, น, น, นยี่เรียกว่าตาทังกับวิมุตต์คือหลุดพ้นด้วยเรื่อ ง, งนั้นๆและคําตัวเนี้ยบางทีงเรียกว่าตาทังกัปอาหารคือละละซึ่งสิ่งนั้นๆบางครั้งก็เรียกว่าตาทังกนิพานก็มีเรียกว่าดับโดยองค์นั้นๆ ก็ไม่ใช่นิพานที่สมบูรณ์แต่ว่าคำตัวนี้กรอบเขอบว้างคือเวลาเรามาใช้เนี่ยบงทีเราใช้กรอบมันแคบแล้วรู้ในที่มาของพระบาลีอย่างที่เคยยกตัวอย่างที่เลหญิงกีสาโคตมีได้พบกับพระโพธิสัตว์ตอนนั้นยังไม่ได้เสล็จออกเป็นหน ก็เกิดประทับพระไทยในบุคลิกภาพที่ยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์หรือก็เปล่งอุทานน ะ, ะว่าผู้หญิงคนใดเป็นแม่ของผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนใดเป็นพ่อของผู้หญิงผู้ชายคนนี้แล้วก็ผู้หญิงคนใดเป็นภรรยาของผู้ชายคนนี้บุคคลเหล่านั้นดับเย็นแล้วเรน่องความหมายตรงนี้หมายความสบายใจได้ ก็แสดงถึงนิพพานเหมือนกันก็ใช้คำว่านิพพานเหมือนกันนิบุตานุนัสามาตานิปุโตนุนัสโผตานิบุตานุนัสานารีจายังอดบิโสปติเพราะในะคำว่าตะทังกะนี่ยตะทังกะคือด้วยองค์นั้นนั้นเนี่ยใช้เป็นชื่อละก็ได้ใช้เป็นชื่อดับก็ได้ใช้เป็นชื่อพ้นก็ได้ซึก็หมายความว่า ถ้าใช้ในความหมายว่าดับหรือความหมายว่าคนก็หมายถึงนิพพานอย่างอ่อนออนหมายว่าละมันก็หมายความว่ากะดับทิเล็อย่างอาจจะหยาบ ก, ก็ได้กลางก็ได้ละเอียดก็ได้แต่ว่าดับได้ในบางขณะตรงนี้กําเลิกอีกเปลี่ยนแปลงได้อีกจิตใจของเราก็เป็นอย่างนั้นคือเรารักษาระดับ ของความคิดที่ดีๆไว้ไม่ได้ตลอดพอมันเกิดอารมณ์มากระทบจากข้างนอกแล้วจิตใจมักจะแปรผันไปตามอารมณ์หรือถ้าเราให้ความสำคัญแก่อารมณ์ที่มากระทบแล้วใจก็จะแปรผันไปอาจจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ก็แล้วแต่ประการที่สองเขาเรียกว่าวิขำพนะวิมุตก็ได้นะวิขำพนะปะหารก็ได้วิขำพนะนิพพานก็ได้ ก็เป็นการหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสได้ความทุกข์ช่วงยาวขึ้นเห็นว่าจเจริญสมาธิแล้วก็ได้สมาธิแล้วก็อยู่ในสมาธิพระัาวใดที่ใจยังอยู่ในสมาธิกิเลสมันก็ถูกกดเอาไว้ถูกสยบไว้ วิเศษก็ไม่ฟูขึ้นภายในจิตแต่ว่ายังมีอยู่สมบูรณ์บริบูรณ์นะฮนะเพียงแต่ว่าพลังของสมาธิไปเสียบเอาไว้อีกระดับหนึ่งเรียกว่าสมุเทเฉตถวิมุตติก็มีเนะี่ยสมุเทเฉตปะหานะคือปะหานี่หรือปะหานะปะหานะแปรวัลละหรือสมุเทเฉตตานิพานกันไหมก็หมายความว่าดับนั้นเด็ดขาด ทีนี้คำว่าสมุดเสียทะเนี่ยคือบางทีไปใช้ในกรณีของศีลก็มีเรียกว่าสมุมเจตวิรัติหมายความงดเว้นอย่างเด็ดขาดอย่างศีลห้าเนี่ยเรางดเว้นครบทั้งห้าข้อไม่ได้คือเอาข้อที่มันมันน่าเกลียดอ่ะเช่นไปผิดลูกเมียชาวบ้านก็เนี่ยมันน่าเกลียดแล้วก็ ไปลักขโมยทรัพย์สินของคนอื่นฮะเว่าโกหกหลอกลวงร่มลุนคนอื่นหรือไวไปฆ่าสัตว์ใหญ่ๆฆ่าคนตั้งใจเด็ดเดียวเอาไว้คืองดเว้นยังเด็ดขาดมันก็ได้แต่ว่าถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะ เปลี่ยนแปลงมันก็มีได้เพราะยังถือว่าพวกนี้ก็ไเลิกได้เยังแต่ว่าคนบางคนก็ทำจริงๆนะทำได้จริงๆเช่นบอกไม่พูดเพศตลอดชีวิตไม่เสร็จชิงเสร็จิดตลอดชีวิตนะไม่ล่วงละเมิดในทางเพศตลอดชีวิตแล้วก็บางคนก็ทำได้ทั้งห้ตัวอย่างที้เคยตั้งข้อสังเกตว่า สินห้าในแง่ของความเป็นจริงไม่ยากอะไรในการรักษาแือถ้าสังคมช่วยในกรรักษาสินห้าสังคมจะน่าอยู่ขึ้นเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือระดัะดบประทุษร้ายต่อชีวิตต่อทรัพย์สินต่อคู่ครองซึ่งมันสร้างความแตกแยกสร้างความสูญเสียรุนแรงอะไรย่น เป็นความคิดระดับใจเขาใจเราอ่ะเป็นความคิดแบบง่ายๆแต่บาคนก็ไม่ไม่ค่อยคิดพอคิดได้มันก็สายไปแล้วทัานเคยใช้วิธีแนวตัวเนี้ยคุยกันแบบถามให้เขาคิดเขาคิดได้นะฮะแต่ว่าโอกาสที่เราจะพบกับเขาเนี่ยมันยากหรือสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในความคิดเขา รือถ้าเขาคิดแล้วเ้าต้องการทำปรึกษาเข้ามาชวนคุยแล้วก็เล่าให้ข้อมูลต่างๆความคิดต่างๆเนี่ยที่จริงก็ค่อยคุยกันมันก็แก้ปัญหาได้เยอะอย่างไเนี้ยเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยบริการชุมชนคือเป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างๆเนี่ย แล้วก็สามารถจะโทรศัพท์มาถามปัญหาต่างๆได้อย่างจากการตั้งเกตที่แต่การนี้นิมนต์มาในวันวันอังคารเนี่ย น, นะบางคืนเนี่ยเวลาจริงๆก็ประมาณสี่สิบห้านาทีมีคำ ถ, ถามถึงสี่สิบถึงห้าสิบคำถามตรงนี้สี่สิบห้าคำถามตรงนี้ แ, แสดงว่า ข้อข้องใจสงสัยนี่มีเยอะแต่ว่าถ้าให้แสดงความเห็นนี่เป็นเรื่องน่า ก, กลัวบรยา ก, การตั้งเกตก็พยายามดูรายการรืกอฟังรายการวิทยุที่มีการแสดงความเห็นมาจากบ้านเนี่ยคือเราค่อนข้างจะผีรามโดยข้อมูลเนี่ยไม่มากพอต่อการจะวินิจฉัย แด้ไปชี้เขาว่าผิดหรือ ว, ว่าถูกแล้วคือทั้งๆก็ยังไม่ได้ทำะนะฮะอันนี้คือเก่งมากการชี้ผิดที่ถูกกันอื่นนี่เก่งมากเขายังไม่ได้ทํเาเำมันจะบอกว่าเขาผิดหรือเขาถูกไม่ได้เป็นไว้แต่ว่าเรื่องบางเรื่องที่มีคนอื่นก็ทำนะเช่นนายมุกนี้ยม่มีคนอื่นประสบความเสื่อมให้ดู เราก็บอกว่าทางเสื่อมแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเสื่อมมากหรือเสื่อมน้อยเพราะว่ามันมีองค์ประกอบวิงเงื่อนไขอะไรเยอะวันถ้าคนเห็นโทษเาก็ตัดขาดได้โทษจากเรื่องเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นในชีวิตเท่าได้ประการต่อไปก็เรียกว่านิสณาวิมุตติคือ พ้นด้วยออกไปอันนี้หลุดพ้นจริงๆนะฮะเป็นเป็นคือเรื่องบางเรื่องเราสามารถจะเรียนได้บางระดับเช่นสมมุติว่าในสภาพแวดล้อมอย่างเงี้ยไปอยู่แล้วก็มีปัญหาเราก็ย้ายจากสถานที่นั้นเถอะเราก็ลดปัญหาลดความรุนแรงออกไปได้แล้วก็พ้นด้วยสงบจริงๆเป็นโลกุโลกุตระนะฮะ แต่ลองสังเกตว่าถ้าเรารู้จักข่มใจเราห้ามใจเราอดกัน้นอดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเราก็สงบได้แต่เป็นเรื่องชั่วครั้งชั่วคราวแต่บางคราวมันก็ปล่อยวางไปได้เหมือนกั น, เ, นเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพติดเราเห็นว่าทำไมพระอรหันต์ท่านจึงมีสติสมบูรณ์เพราะท่านไม่มีปัญหาในเรื่องีิเล วคนคนเราถ้าปฏิบัติได้ถึงระดับสีนี่นะโอกาสที่จะมีอาการทางจิตประสาทเนี่ยก็เรียกว่าปิดประตูได้นะฮะแล้วทีนี้ถ้าเราเข้าไปถึงระดับของสังวรนะอังบอนรูอควบคุมวิจกหรือควบคุมดูความคิดเนี่ยไม่ปล่อยให้ใจมันเลื่อนไหลไปตามกระแส ข, ของความใคร่ของความพยาบาท ความคิดในถนนเบียดเบียนเนี่ยสุขภาวะจิก็กจะดีขึ้นก็ซื้อว่าตามรอยพระอรหันต์ก็ตามได้ใกล้ชิดเท่าไหร่ก็ดีไม่ใกล้ชิดก็ตามไมา่ห่า ง, างก็ดีคือเดินบนเส้นทางของท่านอาจจะห่างมากห่างน้อยก็ไม่รู้เดินไปบนเส้นทางพระอรหันต์ มันก็ถือว่าพ้นพิเศษไปในหลาระดับแล้วก็ส่งแสดงว่าในสิ่งทั้งปวงในเบื้องบนในเบื้องต่าในเบื้องขวางในเบื้องอะไรก็ตามก็ถือว่ายกมาทั้งอย่างแต่ว่าคําว่าทั้งปวงในบ่งหมดละในสิ่งทั้งปวงคือจะเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมก็ตามเป็นการหลุดพ้นทั้งหมดแต่ต้องเข้าใจว่าในที่ น, นี้หมายถึงพวกกลุ่มทุกข์ษัตริย์กับกลุ่มสมุทัยตะ ไม่ใช่ไปหลุดพ้นจากกลุ่มของมรรคหรือกลุ่มของนิโรธนะหลุดพ้นเฉพาะกลุ่มของทุกขสัมมุทยัยจีตขอท่านอยูเป็นโลกุตระเรียกว่าโลกุตระกุศลโลกุตรภูมินะฮะอยู่ระดับโลกุตระภูมิท่านผู้นี้ไม่ตามเห็นว่าเราเป็นนี้คือหมายความมันต้องขยายต่อเอาเพราะว่าเป็นพุทธภาสิต คำว่าเราเป็นนี้หมายถึงว่าเป็นการยึดถือด้วยอำนาจของม a n a ว่าเราเป็นนั้นเราเป็นนี้เราเป็นโน้นเป็นในฐานะตำแหน่งต่างๆหรือว่าเป็นรูเป็นตนคือถ้าเอาเอาตัวตนเข้าไปเป็นเนี่ยอะไรก็ตามถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นเนี่ยเป็นนั้นเป็นนี้เป็นโน้นมันมันยุ่งมันรุงรัง คือทำสบายสบายเนี่ยมีหลายปีอยู่นะไปไปตังพาคอิสานแล้วก็แวะเข้าไปในวัดนึ่งไม่มีใครรู้จักเลยเราก็ดูสบายนะฮะเดินดูตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นดูสบายอยู่หน้านนะพอดีก็มีพระมาเห็นครับ แล้วก็สูญเสียบรรยากาศละทีนี้เป็นบรรยากาศอีกเรื่องนึ่งหลักการที่เคยกล่าวไว้นานแล้วในะหลักการนหนึ่งคุจะทรงแสดงเขาเรียกว่าเป็นหลักที่ควรกระทำบาลีใช้คำว่าเครื่เหนือเมตสูตรคือพระสูตรหรือ ว, ว่าเมตตาที่พึงกระทับ นันมีอยู่ข้อหนึ่งที่สงใช้คำว่าสัน ล, ละหุกุติประพุทธเจาเป็นคนบ่อกายบ่อจิตคือจยเปไปแบกอย่าไปรุงรังด้วยความเป็นเราเป็นตัวตนของเราหรือว่าเป็นของเรานะเราเป็นนั้นเป็นนี้เป็นโน้นอะไรตไ่างๆ้ยยังเป็นค้าเนี่ย คือถ้าเราลดอาหางการด่รู้สึกปรกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโ น, น้นลงไปมันก็สบายดีเขางก่งๆเบาแต่ว่าถ้าแบกความเป็นตรงนั้นไปจะเป็นปัญหาแก่ตัวเองสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมยาวิชญบรุรษ ลงเสด็จไปในที่ต่างๆเนี่ยมีเขาเล่าเป็นเกตคือตอนนั้นรู้สึ ก, ก่าทงสงค์สวนที่เจียวกับวันในโเขก็ไปพักอยที่ปักเป็ดแต่ก็ตอนเช้าก็เสด็จเดินเพื่อจะเอาอากาศบริสุทธิ์เลยนะมันผ่านดงตามีคนที่ขึ้นต้นตาเนี่ยตะโกน ล, ลงมาจากข้างบน หลวี่หลวงพี่หยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวขอถวายทั้งตานหน่อยทั้งก็หยุดเลยโยมในมณฑลนั่นก็หยุดแล้วก็นายน้องก็ลงมาจากต้นตาลก็จัดการเอาน้ำหวานถวายมาคุย ก, กันก็เอ้ก็ไม่รู้ว่าว่าเป็นสมเด็จพระมหาสํานาเจ้านะเป็นพระนุชาของราชการที่ห้านะแล้วก็ในที่สุดก็ เขาเรียกลุงพี่จนจ น, จ น, จ น, นั้นแต่ก็นัดหมายมาพบกันที่วัดบวรกว่าจะรู้ว่าใครเป็นใครเนี่ยท่านก็ให้วางตัวเป็นธรรมดาโดยโยมคนนี้มาที่วัดเนี่ยแม้จะมีแขกผู้ใหญ่เนี่ยท่านบอกว่าเดี๋ยวญาติมาเยี่ยมไปคุยกับญาติก็หน่อยก็ทำพระองค์สบาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้าบอกระทุงชื่นที่วัาปรวรนจะมีลักษณะอย่างนั้เน่ยหรือท่านเป็นคนประพฤติเบาๆไม่มีพิธีรีตองอะไรนะฮะรถพระประเชียบที่เป็นรถของหลวงเนี่ยเสด็จเป็นไหนนี้พระนั่งเต็มไหมหรือไม่ได้ประทับบุงเดียวพระนั่งระเต็มในอัานเป็นในรถสบายๆลงตามา กำลังเดินอยู่ในวัดองเดียวตามาเจอก็ชวนคุยบอกว่าอยากจะมาดูกุฏิสังฆราชหน่อยท่านก็เชียดูทาไปตามาลุนตาเชื่ออะไรท่านก็บอกว่าชื่นคุยกันคุยกันก น, นานเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วก็ถามมองไม่ได้ไม่ได้ชีพัะนะ ถามว่ากุติดวงตาอยู่ตรงไหนแกก็เชียดูแต่ทางกระสังมันมันหลังบ่า ง, า ง, างมันเชื่อบ้างนะมันเที่ยใหม่นะปรากฏวันหนึ่งดวงตามาจะถามหาดงตาชื่นพราก็รู้ว่าเป็นสังราชาก็เชียดูขึ้นไปถึงตกใจเลยเพรรู้ว่าเป็นสังราษาันก็คุยธรรมดา แต่เนี่ยคือคือที่จริงแบบตัวเนี้ยสมเด็จพระพุท ธ, ธาจาย์โตอย่างนี้ก็มีแบบอเยอะๆที่ไม่ยึดมั่นถึงมั่นเนี่ยแล้วท่านก็เบาอ่ะนะ่ก็เบาแล้วก็เป็นชีวิตที่เรียกว่าตัวตายแต่ว่าไม่ตายมันเป็นต้นแบบเป็นตำนานที่นำมาเล่าขานกันโดยความชื่นชมของคนรุ่นหลัง อั้นก็คือลดพกยาหะแต่ว่าตอนนี้พระละกุณทกะภัตยะเนี่ยทั น, ทนดับนะฮะแต่ว่าหมายความถ้าเราจะตามสรอยพระอระหรันเราก็ลดลดอัตราตัวตนลงไปใหญ่เขือกมากนักลดมานะัความถือตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี้ลงไปแล้วก็ลดความรู้สึกเป็นของเราลงไป อะไรสะละได้ก็สะละเถิบ้างปล่อยเถิบ้างวางเถิบ้างก็ยังนึกถึงในสมัยโบราณเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ใช่โบราณเท่าไหร่ที่มีพวกเขาปัดก็ตามตละปัดสี่คนหามสามคนแห่คนหนึ่งนั่งแค่สองคนพาไปเวรนี้ที่แพร่หลายเนี่ยคือไปไม่กลับหลับไม่ตื่นคืนนั้นีนีไม่พ้น มันเป็นการสอนด้วยข้อความสั้นๆแต่ว่าลึกซึ้งเพียงแต่ว่าคนไม่พยายามคิดนะไม่พยายามหาคําตอบเพราะนั่นคืออะไรอย่างไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีเนี่ยจะมาหาอยู่ทั้งหลายปนะีหาคําตอบอยู่ทั้งหลายปีมันนึกไม่ออกแต่พารู้มไม่ใช่ตายไม่ใช่ตายทั้งหมดเพียงแต่ว่าหมายถึงอะไร แลว้วก็อาจจะตอบได้ก็ไปเจอที่ที่ต้นไม้คือไปไม่กลับ ห, หมายถึงอายุของเรากับการเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่เคยกลับหลังชีวิตเราก็มีแต่จไนะไปข้างหน้าไม่ถอยหลังแก่ไปโดยลำดับหลับไม่ตื่นเนี่ยเป็นความเห็นที่เป็นนิจชาพิจิต พื้นไม่มีก็คือคนที่ตายจริงๆไงพื้นไม่มีแล้วก็หนีไม่พ้นก็ที่จริงหลายอย่างนะฮะเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็หนีไม่พน้นบุญบาปเนี่ยเราก็หนีไม่พน้นใจรักเนี่ยเราก็หนีไม่พน้นเพราะว่ามันสืบเนื่องมาจากการเกิดคือถ้าเราต้องหนีเราต้องไม่เกิดไม่เกิดมันก็พ้นไปหลัก พ้นแก่พ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายนะเราไม่มีตัวให้แก่ให้เจ็บให้ตายแล้วก็บุญบาปก็ดับไปตั้งแต่พ้นดังอย่างพระลักษณ์ปะกับพระทิยะเนี่ยท่านก็พ้น mm hmm. ก็ต่อไปบอกว่าบุคคลพ้นวิเศษแล้วอย่างนี้ข้าได้แล้วซึ่งโอกขะเป็นการยืนยันถึงความไม่มีแห่งกิเลส าพาลักษณะพ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเป็นนิโรธสัตว์นะคบว่าพ้นเนี่ ย, ยบุรุษบุคคลผู้พ้นวิเศษแล้วในสิ่งทั้งปวงในเบื้องต้นในเบื้องตรร่ำนะไม่ตามเห็นว่าเราเป็นนี้เราสังเกตว่าพ้นวิเศษเนี่ยเป็นเป็นเป็นนิโรธสัตว์สิ่งทั้งปวงเนี่ยเป็นทุกขสัต์แล้วก็ไม่ตามเห็นว่าขึ้นดับพวกสมุทัยสัตว์ ไห้ตามเห็นว่าเราเป็นนั้นเป็นนี้เนี่ยแล้วก็ไปยืนดนันอีกทีหนึ่งว่าได้ข้ามแล้วซึ่งโอคะที่ตนยังไม่เคยข้ามหมายความว่าตลอดสังสารวัฏอันยาวนานมนุษย์สามารถข้าโบคาได้ครั้งเดียวก็คือการบรรลุมรรคผลเป็นรานแล้วก็จบกันไม่มีการข้ามใหม่อีกแล้วเพราะชีวิตทั้งหลายในโลกไม่มีใครเคยข้ามโบคาได้ คนในข้ามุขค้าได้มีเฉพาะพุทธบุคคลสามจำพวกเท่านั้นคือพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระกัจจีพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกโอคะเป็นชื่อของกิเลสที่พูดในลักษณะเป็นกระแสน้ําเพราะโอค้าเนี่ยจริงมันเป็นปรูปของวัตถุเป็นกระแสน้ําที่พัดพาสิ่งซึ่งตกไปในกระแสน้ําไป คนเราจะพบว่าตรงนี้บางทีก็เรียกว่าสงสารคาคอนก็เป็นกระแสของกิเลสกับกรร ม, มะนะะเป็นกิเลสกับกรรมก็อยู่ด้วยกันแต่ในนี้ที่จะเน้นไป ท, ที่ตัวกิเลสกรรมนั้นมันเป็นมันเป็นผลที่เกิดมาจากกิเลสโมคาก็คือกาโมฆะค่วงน้าคือกามเมื่อตกไปแล้วเนี่ย ขึ้นยากมากที่สุดนะที่เอประเภทเนี้ถเราสังเกตว่าที่หลวงเจ้าจสรงแสดงไพยในในแม่น้ำในหมหาสมุทรมีสี่ประการนะไพคือคลื่นเนี่ยหมายถึงกิเลสประเภทโทสะไพ่คือน้ำบนเนี่ยเป็นกิเลสประเภทราคะโลรพะเนี่ยกิเลสประเภทคว้าก็มหาราวเนี่ย แล้วภัยคือเจร์เช่มันก็คือโลภะเห็นแก่ปากแก่ท้องทนความบดยาหิวโหยไม่ได้แล้วภัยคือปลาร้ายก็หมายถึงถึงกิเลสประเภทราคาหมายถึงเพศตรงเงินข้ามมีความกำหนัดความยึดติดในเรื่องเพศสี่ข้อเนี้ยเป็น菩萨อยู่ข้อเดียว เราสังเกตว่าตัณหาก็เหมือนกันตัณหาก้ามาตัณหาเพราะวาตัณหาเป็นพวกโลกะหรือเพราะว่าตัณหาเป็นอาการของโทสะคือไม่ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแต่ก็หมายความว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างอื่นก็มีโลภะอยู่เรื่การพูดกับสัตว์โลกประเภทก้ามาว จ, จรภูมิ ตอนพวกนี้จึงมีจิเลสประเภทโลภะเยอะเยอะแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกที่จริงมันมาจากโลกภะนีม่มากแล้วก็พโวคะโอขะคือพบพบนี่ก็คือความเป็นด้านต่นางๆแล้วก็พัดหมุนอยู่ในความเป็นนะแยวจะเห็นว่าเป็นมันก็เป็นทุกข์นะ ถ้เราสังเกตเรเป็นอะไรมากๆาเนะี่ยเราจะเป็นทุกข์เราเดือดร้อนจากความเป็นของตัวเองบางคนก็เป็นกันเยอะแม้ในแวดวงของพระเราในมาองค์เป็นเยอะนะฮะตำแหน่งตำแหน่งเยอะคล้ายๆกับเป็นเจ้าของศาสนาใะเองเป็นสมบัติส่วนตัวครอบครองหมดเลยตำแหน่งต่างๆบางคนวอาท้ายผลเสียในตกที่ศาสนา เพราะมนุษย์มันมีข้อจํากัดในตัวของตัวเองถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะละเลยภารกิจบางอย่างที่เราเป็นแต่เราทำไม่ได้เพราะว่าไม่มีเวลาทำหรือบางทีก็ไม่สามารถทำนะเพราะว่าการทำกับการเป็นเนี่ยการทาเนี่ยมันเป็นรมาวายามะมา แต่ว่ามีปัญญาเขากับเราเห็นว่ามันต้องมีสติมีปัญญาถึงจะทําได้ทนี้การการมีเนี่ยมันเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการทําเพนคำสามคำเนี่ยที่พูดว่ามีทําเป็นเป็นทํามีมีเอ่อทำมีเป็นเนี่ยเป็นเป็นเป็นเรื่องใหญ่มันมีปัญหาที่ตัวเป็นเพราะเป็นเนี่ยมันเป็นภวะปัญหาทือคนอยากเป็น แต่วมีนี่เป็นผลจากการใช้ความเพียรพยายามที่ถูกทางมีความเพียรมีสติมีสัมผััญญะมีขันติมีสัจจะมีอธิษฐานโดยตลอเยอะเลยบนบนบ น, บนเส้นทางของของการกระทำเนี่ยจนกว่าจะได้เป็นอะไรสักเรื่องเนี่ยและเป็นแล้วก็ต้องทําตามที่เราเป็นเลยวัตนตรงเนี้ยไอ้พโวคะกับกาโมฆะเลยเลยเลยก็ เชื่อมโยงสัมพันธ์ผิดเพ่อกันแล้วก็หัวค้าคือทิฏฐิอันนี้เน้นไปที่ความเห็นผิดทั้งหยาบทั้งกลางนะฮะทั้งละเอียดคือเรียกว่าเป็นความเห็นประเภทที่ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานก็นีแต่ประเภทที่ห้ามเฉพาะนิพพานคือไปนิพพานไม่ได้ก็มีนะฮะฉนว่าถือว่าโลกนี้มีสิ่งสูงสุดเป็นผู้สร้างนี แล้วก็ตนก็มุม่งมา่ปรารถนาที่จะเข้าไปอยู่รวมหรืออยู่ร่วมกับผู้สร้างนั่นเขาเรียกว่าเป็นมัคคาวรนคือไม่ได้ปิดประตูสวรรค์นะไปบเกิดในสวรรค์ได้แต่ว่าบรรลุว่าผลเป็นพระโสดาบันไม่ได้หรือข้าประตูนี้ผ่านไม่ได้แล้วท่านก็ไม่ต้องการไปนิพพานด้วยนะฮนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปจบที่อวิโสคะโอคัตคือวิสา นวิชาคือความมืดบอดอย่างที่บอกว่ามันก็หยาบกลางละเอียดนะฮะคือจาบใดที่ยังไม่หมดก็ ย, ยังเรียกนวิชาอยู่ว่า น, น, นวิชาที่มีอยู่ภายในใจของพร ะ, พระโสดาจติกาคาณาคาเนี่ยก็มีความเข้มข้นที่ต่างกันของคนเราแต่ละคนเนี่ยที่จริงก็ต่างกันนะะมียิ่งมียอดกว่ากันเหมือนคนบางคนทําบาปแม้เพระเหตุเพียงเล็กน้อยเอก็ทําได้ แต่คนบางคนจะไม่ยอมทําบาปขนาดนี้บางทีไม่ยอมทําบาปแม้เพราะว่าถูกข่มขู่คุกคามจะฆ่าให้ตายแต่เราทําชั่ว อ, อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยคนที่อวิชชาบัรจางลงไปพอสมควรเนี่ยเขาไม่ทําอะเพราะว่าการถูกฆ่ามันเพียงแต่ตายเร็วขึ้นแต่การทําบาปเนี่ยเป็นเหตุให้ตกนรก วิชาจางก็แสดงว่ามีเหตุผลดุจปัญญายในการคิดในการหยุดตัวเองเอาไว้ได้ดังนั้นการข้ามโอฆาเนี่ยเราก็ไม่พูดถึงข้ามแต่ว่าพูดว่าลดความเข้มข้นของโอฆะเหล่านี้ลงไปโดยคุมทิศทางของชีวิตให้ดําเนินไปในกระแสะแห่งกุศลสามารถสัมผัสความสุขในระดับนั้นๆตามกํบบาลังความสามารถก็เป็นบุญเป็นกุศล ม, มากยิ่งแล้ ท่องค้างทลายเสียงทรรจากมาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงวงามไปบูุ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทัหลายโดยทั่วกันสวัสดี